เอกังสะพยาการณียปัญหาปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมาตายตัวพระอัถกะถาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถามว่าจากสุขเป็นอนิจจังหรือพึงตอบตรงไปได้ทีเดียวว่าถูกแล้ว 2. ปฏิปุชาพยาการณียปัญหาปัญหาที่พึงย้อนถาม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 3. วิพัชาพยากรณียปัญหาปัญหาที่จะต้องแยกแยะตอบเช่นเมื่อเขาถามว่าสิ่งที่เป็นอนิจจงได้แก่จักสุใช่ไหมพึงจำแนกวามออกยากแยะตอบว่าไม่เฉพาะจักสุเท่านั้นถึงโสตคานะและอื่นๆก็เป็นอนิจจงหรือปัญหาว่า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 อย่างนี้เป็นคำถามประเภทเก่งความจริงซึ่งถึงจะอธิบายอย่างไรผู้ถามก็ไม่อาจเข้าใจหรือพบข้อยุติเพราะไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะเข้าใจได้พิสูจน์ไม่ได้ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแกเขาด้วยนอกจากนี้ท่านยังสอนให้คำนึงถึงเหตุแห่งการถามปัญหาด้วยในเรื่องนี้ พระสาวรีบุตรอ克รสาวกเคยแสดงเหตุแห่งการถามปัญหาไว้ว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งย่อมถามปัญหากับผู้อื่นด้วยเหตุห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งห้าอย่างคือหนึ่งบางคนย่อมถามปัญหาเพราะความโง่เขลาเพราะความไม่เข้าใจสองบางคนมีความปรารถนาลามก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 พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามภิกษุด้วยอาการสองแบบคือจะทรงแสดงธรรมหรือจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย